บอกไม่รู้ทุกเพื่อออกจากทุกเพราะข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกเรียกว่าทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกเรียกว่าทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติทุก อ, อั น, นก็ตามเนี่ยนะที่ที่กล่าวไปข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยนะ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 ดับทุกทั้งปวงทวนอีกรครั้งหนึ่งว่าสาระสําคัญที่สุดของคําสอนในพระพุทธศาสนาเราก็คือการประกลาอริยสัจอริยสัจอันประกอบไปด้วยอะไรบ้างทุก์สมุทัยนิโรธมรรต์นะนะทบทวนสาระสําคัญก่อนเดี๋ยวว่าโอ้ยนี่เรียนธรรมะฟังมาตั้งนานแล้วไม่เห็นลงอริยสัจสักทีหนึ่งเอาไงกันทวนอีกครั้งหนึ่งนะสัจจะมี4ี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรตมีสประการแล้วทุกข ส, ส, ส, ส, สั์คืออะไร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 นะมันไม่มีใครไปทุกข์หรอแต่ความทุกข์มีอยู่จริงแต่คนที่ทุกข์อ่ะไม่มีอยู่จริงอ้าวก็เราเป็นคนรับรู้อแล้วเราคืออะไรเราอะไรคือเราจิตใช่ไ้ยเป็นเราอะแล้วความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วความคิดตัวไหนเป็นเราอะไรแคนี้พันธจึงไม่มีเจ้าของแห่งทุกข์อยู่จริงทุกข์มีอยู่จริงแต่ผู้ที่เป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงนะความเจ็บปวดมีอยู่จริงแล้วถามว่ามีใครอยู่ในความเจ็บปวดนั้นไหม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 มันก็คือตัญหาที่ยินดีในขันทตัญหาที่ยินดีในทวาร ต, ต่างๆนั่นแหละคือเหตุให้เกิดชาติชราและมรณะทาเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงความดับเหตุแห่งทำเหล่านั้นถ้าดับเหตุได้ก็ดับทุกข์ได้ถ้าดับให้เถ้าดับเหตุให้เกิดขันได้ขันก็ดับได้ทุกข์คือขันก็ดับได้ถ้าดับเหตุให้เกิดอายตนะได้ทุกข์กคืออายตนะก็